ทำไมคนอีสานต้องมาที่อื่นเราเรียนของเราให้ได้เนาะธรรมะธรรมะไม่ได้อยู่ที่น้นที่นี้ธรรมะอยู่ในใจถ้าหลงปูดเทศไปสอนสมาบอกผู้ใจปฏิบัติเข้าถึงจิดถึงใจถึงจะได้แก่นสารของศาสนาพุทธฟังให้สบายๆไม่ไม่ต้องเครงเครียดนะ ท <c oughs> ี่พวกเรามักจะนึกเอายอิงว่าธรรมะคืออะไรสักอย่างหนึง่งนะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลๆนะต้องทำไปอีกนานๆแล้วถึงจะไปเจอนะถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เมื่อไรเราก็เราจะไม่มีทางเข้าใจธรรมะเลย เพราะเราไม่เห็นธรรมะซึ่งกําลังปรากฏอยู่ในปัจจุบันธรรมะมีอยู่แล้วในปัจจุบันมีอยู่ต่อหน้าต่อ ต, อตาเราขณะ น, น, นี้แล้วนะคือกายใจของเราเนี้ยแสดงธรรมะตลอดเวลาถ้าเราไม่เห็นธรรมะในปัจจุบันแต่เราฝันฝันนอกนะว่าเราจะไปเห็นธรรมะในอนาคตนี่เป็นฝันลมๆแรงๆอยากเห็นธรรมะต้เห็นเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันสําคัญที่สุด ปัจจุบันไม่เห็นธรรมะอนาคตก็ไม่เห็นธรรมะปัจจุบันถ้าเห็นได้นะอนาคตก็เห็นได้นี้พวกเราชาววัดป่านะนี่เราพูดในฐานะชาววัดป่าด้วยกันกรู้สึกครูบาอาจารย์เดียวกันส่วนมากพวกเราติดสมาธิพวกเราติดสมาธิเรามีความเชื่อว่าถ้าเรานั่งสมาธิจิตใจสงบสงบไปนานานๆแล้วจะเห็นธรรมะ อาจารย์เชิญเราเราเคยักคิดกันเอาเองนะมานั่งสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาเห็นธรรมะอันนี้คุณใจพบเคยดูถวายไล้์โชว์นะตอนธรรมมาบวดเคยดูตอนนั้นครนิมนต์หลวงตา ม, มหาบัวปรเวทศนะคุณคุณใจพบเขาก็อปรับเปลี่ยนถามท่านบอกว่าถ้าผมทำสมาธิไปเรื่อยๆจะเกิดปัญญาไหม ดวงตาบอกไม่เกิดการทำสมาธินะที่นั่งทำให้ใจสงบเนี่ยไม่ได้ทําให้เกิดปัญญาอยากมีปัญญาต้องมีสตินะค้นคว้าเรียนรู้อยู่ในกายในใจหรือในรูปธรรมนามาทำเรียนรู้อยู่ในฐันขั้นนี้เองถ้าเราละเลยที่จะเรียนรู้ว่ากายใจของเราเป็นยังไงในขณะปัจจุบันะเราจะเกิดปัญญาไม่ได้ นั่งสมาธิไป ต, ตลอดชีวิตก็ทําไม่ได้นะไม่เกิดปัญญาเพราะอย่างพวกเราเข้าวัดเราชอบทาทานนะทำมูลทาทานทอดข้าวปลาใช่ไหมหยันทำทอดข้าวปลาํนะาทานถือศีล น, นะนั่งสมาธิต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการทําทานการถือศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเขนะาไม่ได้ทําให้คนจัดสรู้ด้วยนะเป็นเพียงเครื่องช่วย นะให้เราเวียน่ายตายเกิดแล้วมีความสุขนะที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เป็นศาสด า, งาองค์เอกไม่มีใครเหมือน<ม>ก็เพราะท่านมาสอนเรื่องการเจริญสตินะเราจะต้องมีสติพวกเราแต่ละคนก็จะคิดว่าเรามีสติอยู่แล้วนะถ้าไม่มีสติเรียนหนังสือไม่ได้ทำงานไม่ได้ไนั่นสติอย่างโลกโลกนะสัมมาสติเป็นอีกอย่างหนึ่งนะ เราอยากรู้ว่าสติเป็นยังไงเราต้องรู้จักกับว่าไม่มีสติเป็นยังไงอะแต่มาพูดย่อๆนะเดี๋ยไปหลายแห่งใช่ไห ม, ม, ไ อ, ม, มอ๋อเนี่ยไม่รีบนะในในคุยกันง่ายหน่อยมันทํามามันยากนะมัใ น, ในยากยากมากเพราะเราจะต้องต้องแก้ความเชื่อของเราอย่างไรเรื่องนะอย่างเรามีความเชื่อว่านั่งสมาธิแล้วจะเกิด ปัญญายเห็นธรรมะเราเชื่อว่าธรรมะคืออะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ไกลๆเราไม่รู้ว่าธรรมะกาลังปราชุดู่ในปัจจุบันเราลงเลยธรรมะในปัจจุบันเราไปปานึงของลมๆแรงๆในอนาคตนี่การที่จะเรียนรู้ธรรมะในปัจจุบันท่านบอกให้มีสติรู้ลงในใจในใจเราดูลงไปเฝ้าสังเกตลงไปร่างกายเนี้ยเราบังคับมันได้จริงไหมจิตใจเนี้ยเราบังคับมันได้จริงไหม การรู้กายรู้ใจเนี่ยท่านถือว่า เ, าเป็นการรู้ทุกนั่นเองทุกขัสัจจะการรู้ทุกขสัจจะท่านบอกทุกต้องรู้สมุทัยต้องละสมุทัยคือปัญหาคือความอยากตัวนี้คือสิ่งสิ่งที่ต้องละมีอันเดียวนะคือความอยากส่วนรูปธรปรมนามธรรมกายใจนี่มีหน้าที่ต้องรู้นะมันเป็นกองทุกเราต้องรู้มันนะไม่ใช่ไปละมันนะส่วนใหญ่พวกเรา ขับกับหัวกลับหางท่านบอกให้รู้ทุกข์ให้ละสมุใจละความอยากเรากลับข้างเวลาเราลงมือปฏิบัติเนี่ยเราอยากละทุกข์ใช่ไหมเราไม่ได้อยากรู้ทุกข์แต่เราอยากละทุกข์นั่งบางคนมาถามนั่งยังไงถึงจะไม่เมื่อยเอา้าถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่เมื่อยสิถ้ามีร่างกายก็เมื่อยนะคิดหรือว่าพระอรหันเนี่ยไม่เมื่อยพระอรหันก็เมื่อยนะไม่ใช่นั่งแล้วไม่ให้เมื่อยใช่ไหม อ, อย่าไปคิิดอย่างนั้นนะแค่นั่งยังไงไม่เมื่อยทำยังไงนะค ะ, นะะความโกรธจนะดับนะพอความโกรธเกิดเนี่ยดูมันยะังไงก็ไม่ดับนะใครสั่งใครสอนให้ดับความโกรธนะความโกรธอยู่ในกองกิเลสอยู่ในสังขารขันเป็นกองทุกนะกิเลสเป็นกองทุกมีหน้าที่รู้ครับนะกิเลสเขาเกิดขึ้นก็รู้ไปว่าเขาเกิดขึ้นนะ ความสุขความทุกเวทนาเกิดขึ้นรู้ว่าเขาเกิดขึ้นลองเปลี่ยนทัศนะก่อนนะค่ให้ปรับเราจะรู้ทุกเราจะละความอยากนะไม่ใช่อยากละทุกขับข้างกันทํายังไงจะรู้เนี่ยตอนนี้มาถึงปัญหาใหญ่อีกตัวหนึ่งนะทํายังไงจะรู้นั่งทําใจซึมๆรู้ไม่ได้นะ หลวงพ่อพุธครูอาจารย์พวกเราสอนไม่ไม่มีใครเทียบเหมือนกันนะคําสอนของท่านท่านบอกให้รู้สึกตัวไปเคยได้ยินมหมยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดขับถ่ายหลวงพ่อพุธพูดแทัทุกวัน่ะเจอที่ไรก็พูดอยู่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเนียบอกให้มีสติคอยรู้ไปเราไม่รู้วนี่คือสุดยอดของกรรมฐาน นะเราชอบคิดว่านั่งหลับตาไปแล้วนั่นแหละสุดยอดกรรมฐานะที่ครูบาอาจารย์สอนยืนนะยืนยังไงยืนรู้สึกตัวนะไม่ใค่ยืนเพ่งนะเดินเดินรู้สึกตัวนะตราจริงความรู้สึกตัวล้จริงการ จ, จ, จันมีสติเนี่ยหลวงครูมั่นบอกไว้เลยว่าถ้าทิ้งสติไม่มีสติไม่ได้ปฏิบัตนะิต้องมีสติถึงจะมีการปฏิบัติ ถ้าเมไรขาดสติเมื่อนั้นขาดการปฏิบัติเพราะงั้นอย่าใจลอยนะศัตรูอันดับหนึ่งของความไม่มีสติก็คือการใจลอยรู้จักไหมใจลอยเป็นยังไงรู้จักไห ม, ไมนั่นแหละไม่มีสติละะห้ามได้ไหมห้ามไม่ให้ได้ใจลอยได้ไหมไม่ได้ทําไมห้ามไม่ได้ก็จิตเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะ เราชอบไปบังคับใช่ไเราอยากบังคับขันของเราบังคับกายไม่ให้แก่บังคับกายไม่ให้ทุกข์ห้ามไม่ได้นะบังคับเวทนาให้มีสุขอย่างเดียวไม่ให้มีทุกขเวทนาบังคับไม่ได้นะบังคับความจําได้หมายรู้ให้จำแต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีไปให้จํำห้ามไม่ได้นะบังคับใจให้คิดปรุงแต่งแต่สิ่งที่เป็นกุศลไม่ให้แต่งอกุศลเพราบังคับไม่ได้นะบังคับจิตได้ไหมนะจิต จิตเองเนี่ยบางทีพวกเราฟังครูบาอาจารย์พูดแล้วเราค่อ้เป๋ครูบาอาจารย์บางท่านท่านบอกว่าเห็นจิตผู้รู้ไหมจิตผู้รู้ผู้ไม่ตายเนียผู้ไม่เกิดไม่ดับเนีเราก็ไปคิดว่าจิตนี่ไม่ดับะจิตที่เกิดที่ดับยังเป็นจิตมีกิเลสจิตที่ไม่มีกิเลสไม่ดับรู้จักหลวงปู่ล่าไหมหลวงปูงป่ล่ากูเจ้าก็พวกเรานักเที่ยววัดคงรู้จักปฏิบัติตเปล่านี่ไม่เอเที่ยววัด ท่านสอนอนาปนสติหลว <c oughs> งปู่ล่าที่พูดเจ้าก็ทั้งสอนนะบอกว่าถ้าผู้ใดเห็นว่าจิตเที่ยงนะจิตผู้รู้ไม่เกิดไม่ดับนี่นยังเป็นวิฉาที่จิอยู่พราจิตอะเกิดดับนะเราจะดูยังไงว่าจิตเกิดดับได้นะอย่างเราลองมาเรียนนะดูขันท่าเราเกิดดับไหมอย่างนั่งอยู่นี่ยนะหายใจเข้าเราก็ต้องหายใจออก ตอนเราหายใจเข้าทีหายใจออกทีเนี่ยส่วนประกอบที them, ่ธาตุที่รวมกันเป็นร่างกายเรานี้เปลี่ยนเป็นบางส่วนแล้วตอนที่หายใจเข้าคนหนึ่งหายใจออกเนี่ยคนเก่าตายไปบางส่วนแล้วะร่างกายองค์ประกอบของร่างกายเปลี่ยนคานเข้าเข้าไปสับทายออกมาธาตุที่ประกอบเป็นกายบางส่วนเปลี่ยนไปอีกแล้ว ร่างกายนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่มองในแง่ของธามองในแง่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็คนหนึ่งลมหายใจออกก็คนหนึ่งคนเก่าก็ตายไปเรื่อยๆนะจะดูในแง่ยีราบทสี่ยืนเดินนั่งนอนตอนนี้เราเป็นคนนั่งนะปรเดี๋ยวเราก็จะเป็นคนยืนแตคนนั่งก็ตายไปนี่ท่านสอนให้ดูกันอย่างนี้นะนี่ดูรูปนะ่เอาย่อๆนะ ดูเวทนาในชะดูได้ไหมเวทนาอย่างพวกเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยนะเมื่อยขาไหมนะลองดูค่อยๆสังเกตความเมื่อย่เป็นเป็นขาหรือเปล่าความเมื่อยกับขาคนละส่วนนะเดี๋ยวกลับบ้านค่อยๆดูออนนะยมีเทปแล้วก็ข อ, อยืมเพ่อกรๆเอาความเมื่อยไม่ใช่ขาความเมื่อยไม่ใช่จิตขาก็ไม่ใช่จิตความเมื่อยก็ไม่ใช่จิตนี้เราแยกได้สามขันแล้วนะ วิธีดูว่าความเมื่อยไม่ใช่ขาดูยังไงนะเราลองรู้ลงไปทำใจสบายสบายดูไปที่ความเมื่อยเราจะเห็นว่าระดับความเมื่อยเนี่ยเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบาไม่คงที่ดูออกไหมบางคนยังไม่ได้ดูเลยนะคิดเอาแล้วบอกออกแล้วน ะ, ะชิดๆเอานะต้องดูของจริงทำไมไม่ดูของจริงไม่ได้ดูลงไปความเมื่อยจะเห็นว่าเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาขายังอยู่อย่างเก่าเลยแต่ความเมื่อยไม่คงที่ให้ดูนั่นเป็นคนละตัวกัน พความจาได้ว่าเมื่อยที่เรียกว่าเมื่อยเนี่ยก็ไม่ใช่ความเมื่อยนี่เป็นความจําได้ว่าเมื่อยก็เป็นอีกขันหนึ่งพอเมื่อยเนี่ยจิตใจชัดหงุดหงิดความหงุดหงิดก็เป็นสังขารขันเว้นอีกขันไไหนึ่งแม้เราแยกได้ตั้งห้าขันดูไปทีละขันทีละขันอย่างเวทนาขันรูปขันบอกไปแล้วนะเวทนาขันอย่าดูเดี๋ยวเมื่อยน้อยเดี๋ยวเมื่อยมากนะเมื่อยมากๆากลุกขึ้นเปลี่ยนยีริยาบทความเมื่อยหาย นี้ความเมื่อยก็แสดงไตรักเหมือนกั น, นร่างกายก็แสดงไตรักเวทนาก็แสดงไตรักความจําได้ตอนนี้จําว่าเมื่อยเดี๋ยวตาไปเห็นรูปก็าจาว่าคุ่นลืมจําเรื่องเมื่อยความจําก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆกุศลกับกุศลที่เกิดในใจก็เปลี่ยนเรื่อยๆเช่นเราเมื่อยอยู่ใจเราหงุดหงิดถ้าเราเปลี่ยนอิริยาบทแจเใ น, ในใจิตใจเราชอบมีความสุขเพลิดเพลินพอใจราคะเกิดขึ้นแทนโปสดา เมื่อเมื่อเขโทสะเกิดกิวข้าวโทสะเกิดเลยกินอิ่มแล้วมีความสุขนะแค่อิ่มพอประมาณก็ราคะเกิดสบายใจอิ่มมากๆโมหะเกิดหลับไปเลยนะแมนะ้สังขารขันก็ไม่เที่ยงนี่วิธีดูจิตนะเพราะจิตไม่เที่ยงดูยังไงนะอย่างเรานั่งฟังอาตมาพูดเนี่ยสังเกตไหมเราใช้อายตนะตัวไหนบ้างนะใช้ตาใช้หูนะ ใช้สองอันใช้ใจอีกอันนะนะดูออกใช่ไหมใช้ตาใช้หูใช้ใจไม่ได้ใช้ลิ้นเนาะไม่ได้ใช้ลิ้นไม่ได้ใช้จมูกอย่าไปใช้น้ําอาบหรือเปล่านี่นะก็ใช้ใช้ตาใช้หูใช้ใจสังเกตไหมว่าแต่เดียวก็ดูเดียวก็ฟังฟังหน่อยหนึ่งก็มาคิด อาจารย์ดาราวันจะคิดแล้วเห็นไหมฟังนิดหนึ่งดูด้วยตาแอดูดูด้วยตาแล้วก็มาฟังหน่อยหนึ่งนะรู้ด้วยหูฟังด้วยหูก็เอาไปคิดนะเข้าไปคิดละนะจิตเราสลับไปสลับมานะเดี๋ยวออกทางตาเดี๋ยวออกทางหูเดี๋ยวออกทางใจวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเวลาแม้จิตที่เกิดทางตาเกิดแล้วก็ดับจิตที่เกิดทางหูเกิดแล้วดับจิตที่เกิดทางใจก็เกิดดับเหมือนกัน จิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับเป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์เกิดดับหมดเลยนะงั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูลงไปเราจะได้ทําลายความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงนะถ้าเมื่อไรสามารถละความเห็นผิดว่าจิตเที่ยงจิตเป็นตัวตนนะเมื่อนั้นจะได้พระสุดานะเพราะการปฏิบัติเนี่ยถึงจะอริยมรรคมีสี่ขั้นตอน แต่ท่านพระสารีบุตรท่านย่อลงมาเหลือสองขั้นขั้นที่หนึ่งละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตนขั้นสุดท้ายละความยึดถือจิตการจะละความเห็นผิดว่าจิตเป็นตนนี่เป็นการละความเห็นงั้นวิธีละความเห็นที่ผิดก็คือต้องเกิดความเห็นที่ถูกต้องดูของจริงดูลงไปเห็นจิตเกิดดับจริงๆจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วดับอกุศลเกิดแล้วดับ จิตที่ไหลไปทางตาเกิดแล้วก็ดับทางหูก็ดับทางใจก็ดับจนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะเพราะฉะนั้นอริยามรรคขั้นที่หนึ่งพวกเราอยากได้พระโสดากันนะปฏิบัติมรรคขั้นที่หนึ่งท่านบอกว่าเกิดด้วยทัศนะด้วยการเห็นแต่มรรคขั้นต่อไปเกิดด้วยภาวนาด้วยการเจริญสติสัมปชัญญะเรียนรู้ลงไปเนะพราะฉะนั้นสองขั้นตอนไม่เหมือนกันขั้นที่หนึ่งขั <S <S ้นที่หนึ่งของพวกเรา รู้ลงไปว่าของจริงเป็นยังไงของจริงเป็นตัวเราไหมร่างกายเชี่ยงไหมความสุขความทุกข์เที่ยงไหมความจําเที่ยงไห ม, มจิตที่เป็นกุศลอกุศลเที่ยงไหมเท่ารู้ลงไปใครใจลอยบ้างรู้จักใจลอยใช่ไหมนั่นแหะจิตหนีไปทางใจหลงไปทางใจเท่ารู้ลงไปอย่างนั้นนะถ้ารู้ทันก็เรียกว่ามีแก่นสารของการปฏิบัติ รู้ไม่ทันอย่างลูกๆคลำคลหาภาสนาพุทธไม่เจอหรอกนะหาไม่เจอนี่วิธีที่จะรู้อย่าไปนั่งจ้องเนระอย่าไปนั่งเพ่งนั่งเพ่งแล้วจะรู้อะไรละ่ะจะเห็นอะไรเกิดดับทุกอย่างนิ่งหมดนั่งเพ่งซึมนะสามชั่วโมงบอกภาวนาดีหนะลงอยู่ตั้งสามชั่วโมงแนละ ยกเว้นนะก็มีขอยกเว้นถ้าจิตใจเราคุ้งซ่านเราทําความสงบนะนั่นทำสมถะเห็นไหมทาสมถะก็ต้องมีปัญญานะรู้ว่าเราทําเพื่ออะไรเราทาเพื่อพักผ่อนเพื่อให้สงบนะไม่ใช่ทําให้เกิดปัญญานะต้องแยกให้ออกนะเราจะทําอะไรเพื่ออะไรจะทําอย่างไรเนี่ยสามอย่างเนี้จะทําอะไรเพื่ออะไรจะทําอย่างไรนะเป็นสามตัวของสมัมปชัญญะ สามเณรชัญญามีทั้งหมดสี่ตัวตัวที่หนึ่งจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรระหว่างที่ทำนั้นเน่ยต้องไม่หลงไม่ลืมตัวสี่ตัวสามเณรชัญญาเป็นตัวปัญญานะเราทําสมาธิเราก็รู้ว่าทําเพื่อสงบนะวิธีทํายังไงทําให้สงบนะให้สติของเราระลึกรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเห็นไหมอารมณ์อันเดียวอารมณ์ซ้ำๆซ้ําล ง, ง, ง, งไปเรื่อยๆนะรู้ไปเรื่อยๆ นะทำแล้วได้อะไรได้ความสงบนะแต่ถ้าทำวิปัสนาเราต้องการทำวิปัสนาเพื่ออะไรเพื่อจะให้เห็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนของเราวิธนะีทำทำยังไงอยากเห็นของจริงก็ต้องนั่งสังเกตไม่ใช่นั่งคิดเอาว่าของจริงเป็นยังไงนะนั่งสังเกตนะขณะนี้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงคอยเรียนคอยรู้ไป หลวงพ่พูดถึงสอนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะ่ะคอยรู้สึกไปนะรูปที่ยืนนะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นเดินเดี๋ยวก็มานั่งเดี๋ยวก็มานอนนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆชีวิตเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆเข้าดูไปนะจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชัว่วเปลี่ยนไปเรื่อยๆคอยดูไปฟังยากหน่อยเนาะช่วยไม่ได้ <laughs> อยากง่ายก็ต้องไปยากทีหลังนะ ยาสวันนี้วันหน้าก็ง่ายยิมพวกเราทํางานกันใช่ไหมเป็นเป็นครูเราจัดการเราเรียนรู้จิตใจของเราเหมือนเราดูเด็กนะวิธีดูเด็กก็คือไม่ได้เอาโซ่ไปมัดเด็กเอาโซ่ไปมัดเด็กเด็กง่อยเลยแล้วบอกเด็กเรียบร้อยไม่กระดูกรดิก จิตใจก็เหมืนการอย่าไปมัดมันปล่อยให้มันเคลื่อนไหวอารมณ์ของวิปัสสนาจะเป็นอารมณ์ที่เคลื่อนไหวเช่นรู้การหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมลมหายใจเคลื่อนไหวรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอ น, นเคลื่อนไหวรู้การเอียดการฟู้การเที่ยวซ้ายเที่ยวขวานะการกระพริบตาการปืนน้ำลายนะรู้ความเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะใจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชัว่วรู้อารมณ์ที่เคลื่อนไหวไป เราต้องการดูสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสมถาเนี่ยต้องการรู้อารมณ์มันเดียวนิ่งๆแต่วิปัสสนาต้องการรู้ลักษณะของเขาที่เปลี่ยนแปลงเป็นไตรักษณ์เพราะฉะนั้นเริ่มต้นอย่าไปนั่ง ท, ทําใจชื่นๆเนะชาววัดเราชอบทําใจชื้นๆครูบาอาจารย์แตหลวงพ่อพุธกับครูบาอาจารย์องคอื่นท่านก็สอนต่างกันส่วนมากท่านก็สอนสมาธิก่อนหลวงพ่อพุธจะสอน ให้รู้สึกตัวไปเลยเป็นมากทําไมสอนไม่เหมือนกันจริตนิสัยต่างกันนะจริตของคนเนี่ยเราเคยเรียนจริตหกจริตใช่ไหมสคะจริตโสะจริตได้ยินใช่ไหมโมหะจริตพุทธีจริตสตจริตแบบยิจกจริตหกอันจริตหกอย่างเนี่ยเอาไว้สําหรับแยกแยะว่าควรจะทําสมถะอย่างไรเป็นเรื่องสมถะนะจริตหกอันเนี่ย แตจริตเพื่อการทำมีปัสนามีสองจริตเท่านั้นเรียกว่าปัญหาจริตกับคิดจิจริตพวกคิดจิตจริตเนี่ยส่วนมากพวกปัญญาชนนะพวกชอบคิดนะคิดไม่เลิกนะพวกชอบคิดเนี่ยในตำราท่านบอกให้ดูจิตเอานะอีกพวกหนึ่งพวกปัญหาจริตพวกชอบสงบชอบสบายนะอันนี้ท่านแนะนำบอกให้ไปทำสมาธิก่อนแล้วมารู้กายเอาอย่างที่ครูบาอาจารย์มัตตาส่วนใหญ่ทำ จะทำความสงบรอจิตใจสงบแล้วขี้เกียจอยากอยู่เฉยๆครูบาอาจรย์ก็ไล่ให้ออกพิจารณากายไม่ให้ไปติดความสงบนี่พิจารณากายเพื่อสิ่งนี้นี่อย่างงงพ่อพุธเห็นว่าส่วนใหญ่ท่านจะสอนชาวเมืองท่านก็เลยสอนให้ใหรู้ลงไปเลยเรารู้ลงไปศัตรูของการรู้มีหลายอย่างนะเหลือไป ก็รู้ไม่ได้นั่งใจลอยก็รู้ไม่ได้ใช่ไหมนั่งใจลอยรูปประธรรมนามธรรมกายใจหายไปหมดแล้วนั่งคิดออกคิดคิ ด, ค, ดคิดไปรู้ไม่ได้นะนั่งเพ่งออกรู้ไม่ได้นั่งน้อมใจให้สลึมสลือไม่รู้ไม่ได้แต่พวกเราชอบนะนั่งสมาธิแล้วเปิดเทป่ะนะนเปิดไปหาครูบาอาจารย์ที่เสียงนุ่มๆ น, นะอย่างหลวงปู่เทปนี่ฟังดีฟังนุ่มๆแต่เดี๋ยวก็เคลิมนะไม่ใช่วัตถุประสงค์ของครูบาอาจารย์ ก็ฟังให้รู้เรื่องเขาทำความสงบก็ททำไปให้สงบไม่ให้เคริ้มขาดสติสงบก็มีหลายแบบนะสงบเคริ้มขาดสติใช้ไม่ได้ใครจะคุยอะไรคุยบ้างสิให้คุยอยู่คนเดียวเอออะไรนะดังๆเลย อ๋อพวกนักคินน่ะให้ดูจิตใจไปเลยนะจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายนะนั่งดูไปอาตมาเล่าของอาตมาก็ได้นะถ้าฟังมาตั้งยาวนี่ฟังแล้วไม่รู้จะทํำยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังง่ายๆนะอาตมาเนี่ยไปหาหลวงปู่ดูลนะไปกราบท่านปีสองห้ายี 2, 5, ่สิบสามกุมภาไปหาท่านที่แรกปลอดมากไปกลัวไม่เคยเข้าไปหาซะ นะท่านเป็นนิสัยใจคอไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ปั้นก็นะ เ, เป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มาก เ, เข้าไปหาไปกราบท่านบอกผมอยากปฏิบัติหลวงปู่นั่งหลับตาเงียบไปครึ่งชั่วโมงเลยเราเนี่ยท่านเป็นอะไรไม่ยอมสอนเนะาะหลับเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าๆเราก็นั่งรอเมื่อไหร่ท่านจะสอนนะนั่งไปเรื่อยๆท่านลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนหนึ่งประโยค อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเอาละไปได้จบ <c oughs> อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมโอตอนนั้นกำลังปลืม้มเข้าใจครับเออเข้าใจแล้วไปทําลาท่านไปขึ้นรถไปอยากสุรินทร์เหรอลอรถไปออกนี่หายปลื้มแล้วนี่ออตายแล้วท่านบอกให้ดูจิต จิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างนะตกใจนะทำยังไงดีตกใจตกใจแล้วไม่รู้จะทำอะไรพุโทโธไว้ก่อนเราทำความสงบกอพุทโธพุทโธพุทโธไปหายตกใจแล้วค่อยๆตั้งสติขึ้นมาจิตมันต้องอยู่ในร่างกายเนี้ยจิตจะไม่อยู่ที่อื่นจิตต้องอยู่ในตัวเราใช่ไหมจิตจะอยู่นอกตัวมันจะอยู่ที่ไหน ลองลองหาดูว่าจิตอยู่ที่ไหนอยู่ในผมไหมนะทําความรู้สึกเข้าไปที่ผมในผมไม่มีจิตนะในขนมีไหมเล็กปันหนังเงยกระดูกไม่มีจิตแลนะไล่ตั้งแต่ศีสาถึงเท้าไม่มีจิตแนะ่อ้อจิตไม่ได้อยู่ในวัตถุจิตอยู่ในกรอบในขอบเขตของร่างกายนี้ก็จริงนะแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ที่หูอยู่ที่ตาอยู่ที่จมูกไม่ใช่นะ ลองมาดูหรือว่าจิตอยู่ที่เวทนาในความสุขความทุกข์นั่งดูไปความสุขเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าความสุขมันตูกรู้ไม่ใช่จิตความทุกข์มันก็ไม่ใช่จิตดูไปเรื่อยๆแล้วความจําหละความจําเป็นจิตไหมนะเดี๋ยวก็จําได้ว่าไอ้นี้ต้นข้าวเนี่ยนั่งนั่งรถไฟมานะเห็นต้นต้นพูนเห็นต้นพูนไม่เห็นว่าต้นข้าวกับต้นพูนมันจะเป็นจิตตรงไหนเลยนะดูไปอีกไม่ใช่จิตอีกละ อ่ะแล้วลองมาสวดมนต์อยูน่นะพุทโธสุสุธโทก ร, ร, รุณามหันตันโวดูไปไอ้ความคิดก็ไม่ใช่จิตนะเนี่ยไล่ไ ล, ไล่ไล่ไปเรื่อยในร่างกายเราในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของตัวเราเนี่ยนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเพราะไม่ใช่จิตทั้งนั้นเลยจิตคือคนที่ไปรู้ทุกอย่างนั่นเองจิตคือคนที่ไปรู้ร่างกายไปรู้เวทนาไปรู้สัญญาไปรู้สังขาร น, นะกุศลนะอกุศลเอาแล้วเรามีจิตผู้รู้ขึ้นมาแนละ้ว แยกได้ว่าอะไรคือจิตอะไรคืออารมณนะ์อารมณ์ในทางศาสนาพุทธแปล ว, ว่าสิ่งที่ถูกรู้นะอารมณ์ไม่ใช่แปลว่าความรู้สึกอะไรอะไรถูกรู้ว่านั้นเป็นอารมณนะ์กระป๋องนิดเราถูกกระมองไอ้กระป๋องเป็นอารมณ์จิตเป็นคนไปนรู้อาศัยตาเป็นสื่อไปรู้กระป๋องนี่แยกได้นะถัดจากนั้นมาคอยเฝ้าดูไปจิตใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวัน รับราชการตื่นเช้าวันจันทร์ยังไม่ทันลงจากเตียงเลยตื่นเช้าวันจันทรนึกได้ว่าวันนี้วันจันทรหจิตใจห่อเหี่ยวแห้งแล้งเป็นไมมชาวข้า ร, ราชการนะวันศุกร์ตื่นมโอ้มันสดชื่นนะเป็นทุกคนใช่ไหมหรือใครกับข้างพวกรักงานวันจันนั์ขึ้นคักจะไปทํางานวันศุกร์เสียใจพรุ่งนี้หยุดเเข้ารู้ลงไปเลย จิตใจบัญจัน จ, จิตใจแห้งแรงรู้ว่าแห้งแรงนี่ปฏิบัติเสร็จแล้วนะเห็นมหมยังไม่เกี่ยวกับก บ, บนท่าอะไมว่จะนั่งท่าไหนยืนท่าไหนนะมันสุกจิตใจสดชื่นรู้ว่าสดชื่นนะรู้เข้าไปตรงๆงเลยนะอาเสร็จแล้วไปอาบน้ําแต่ก่อนอาบน้ํำในตุ่มนะพวกเราคงเคยอาบน้ําในตุ่มนหน้าหนาวเห็นตุ่มแล้วรู้สึกไงนะมันสยองรู้สึกได้ใช่ไหม ทาไม่จะรู้ไม่ได้นี่แหละการรู้อย่างนี้แหละเรียกว่าการเฝ้ารู้ลงไปการดูจิตใจของเรานะขั้นแรกเราจะเห็นสภาวะ ว, ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเป็นความเบื่อเกิดขึ้นความพอใจเกิดขึ้นความสยดสยองใจเกิดขึ้นที่เฝ้ารู้ลงไปอย่างนี้นะไปทานข้าวเห็นอาหารชอบรู้ว่านี้ของโปรดดีใจใช่ไหมเจอแต่ของไม่ชอบเป็นไงแข็งแรงนะนี่รู้ลงไปแม้การปฏิบัติไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ เสร็จแล้วไปขึ้นรถเมย์ไปทำงานแลนะรถเมย์กรุงเทพคนมันเยอะออกมาที่ป้ายรถเมย์มีคนสักห้าร้อยคนได้แล้วนะชาวพุทธชอบเลข5 0ห้าร้อยในตำรามีแต่ห้าร้อยอย่างน้อยนะบอกเห็นคนห้าร้อยคนที่ป้ายรถเมย์นะจริงๆมัน จ, จะหนะ้าสิบก็เห็นแล้วเบื่อต้องไปแย่งกับเขาอีกใครเป็นนะรอรถนานหงุดหงิดเป็นไห ม, นะนนไหมตะาคนตะวายกลัวจะไปทางานไม่ทัน ไม่เป็นทังนั้นนะแล้วมับอกว่าปฏิบัติไม่เป็น ช, ชอบไปหลับหูบหลับตาแล้วเลิกจะไปปฏิบัติเปลนได้ยังไงลืมตาขึ้น ม, มานี่โอ้เห็นรถเมยมานั่นนี่ต้องลืมตาใช่หไหมถึงจะเห็นรถเมยมาดีใจรถเมว่างมานะในกรุงเทพมันมีธรรมเนียมถ้ารถเมยว่างมันไม่ชอบจอดถ้ามันจอดบ่อยมันก็ไม่ว่างก็เหตุผลก็แค่นั้นเองเห็นรถเมยว่างมาดีใจรถเมยไม่ยอมจอดโกรธโกรธรู้ว่าโกรธ ด, ดีใจรู้ว่าดีใจ ขึ้นรถเมย์ได้ดีใจไปถึงที่ทํางานอยู่ในทําเนียบมก่อนสวยตึกน้นสวยตึกนี้สวยดอกไม้ก็สวยไปถึงก็เดินชมและมีความสุขมีความสุขมากเลยเพราะนึกได้ด้วยว่าวันนี้หัวหน้ากองไม่มาแกจะไปสัมมนาดีใจมากแตมาเรายุ่งไหนใครรู้สึกเจ้าหนายุ่งมั้งแ <laughs> ม้รูปน้องแทบทุกคนรู้สึกว่าเจ้าหนายุ่งนะ ลูกน้องของเราก็รู้สึกต่อเราแบบนั้นเหมือนกันนะดูกลับข้างลังนะไม่อย่านจะเป็นเจ้านายที่ยุ่งมากนะแมมมีความสุขดอกไม้ก็สวยนายก็ไม่มาเนี่ยเปิดประตูห้องทำงานพวกวิมาวิอุสาหนีสัมมนาจะมาทำงานเนี่ยลูกน้องนี่ปอมหมดทั้งห้องเลยจี๊ดแดงแรงแรู้อีกแล้ว ดีใจก็รู้เสียใจก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เอาถึงเวลาทํางานจดจ่อกงานนะไม่ต้องมานั่งดูแล้วนะเขาไม่ได้จ้างเรามานั่งดูจิตแตนะ่เขาจ้างเรามาทํางานตั้งอกตั้งใจคิดเรื่องงานไปนะคิดทํางานไปชั่วโมงสองชั่วโมงชักเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วชักเบื่อชักขี้เกียจนี่ขี้เกียจไม่ใช่งานรู้ทันออกไปว่าขี้เกียจนะนี่ปฏิบัติอีกแล้วเดนะี่ยวก็ทําอย่างนี้ตนะั้งแต่เช้ายันค่ำตกตกลางคืน ใช้หลับที่หลวงพ่อพุธบอกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินิดหน่อยนะหรือเดินตรงกรมพนะอให้ได้เรียกว่าปฏิบัติซะหน่อยในรูปแบบซิ่งรูปแบบทั้งหมดเลยเดี๋ยววักแวเหยรู้สึกเราไม่ได้ปฏิบัติย่อหย่อนนะจริงๆทาไปทางจิตวิทยาเพราะในความเป็นจริงแล้วเราปฏิบัติมาตั้งแต่ตื่นแนละ้วนะนี่อย่างบางคนจะงตั้งแต่ตื่นจนถึงเย็นไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านไป ฟนะุ้งไปทางตาเห็นคนเดินมาดูเขาลืมตัวเองฟุ้งไปทางหไูได้ยินอะไรฟังเพลินฟุ้งไปทางใจนั่งคิดนั่งนึกนั่งปรุงนั่ง แ, งแต่งเพลินๆหลงทั้งวันกล่าวว่าจะมานั่งกัางคืนไม่ได้กินหรอกนะีตามกิเลสไม่ต้งสิกว่าชั่วโมงนะจะมานั่งชั่วโมงหนึ่งนะไม่พอพราะง้ต้องรู้ไปตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นนะการปฏิบัติวิปัสสนาเราทําตั้งแต่ตื่นจนหลับ ยกเว้นนีข้อยกเว้นยกเว้นตอนที่ทํางานความคิดจะตอนที่ ท, ท, า ท, าทําสมถะสมถะทเแค่พักผ่อนนะพอเข้าใจไหมทําอย่างนี้ทําได้ไหมโกรธเป็นไหมใครโกรธไม่เป็นใครไม่รู้จักนะเป็นทุกค น, หนเห็นไหมเราบอกเราดูไม่เป็นไม่ใช่หรอกเราไม่ดูดังหงนะโกรธก็เป็นกลัวก็เป็นอิจฉาก็เป็นผู้ชายก็อิจฉาเป็นนะ อไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงหรอกเขาชอบว่าผู้หญิงที่ฉิ่งานะื้อัวก็เป็นผู้ชายก็กลัวนะชีวันแน่ๆ น, นะไม่เคยอยู่ป่าไปอยู่ป่าก็กลัวเหมือนกันแหละนะนะนความรู้สึกทั้งหลายเรารู้สึกได้เรารู้สึกเป็นทุกคนนะนะถ้าจะให้เป็นการปฏิบัติขึ้นมาก็คือขณะจิตนี้ปัจจุบันนี้จิตใจรู้สึกยังไง ร, รู้ลงไปตรงๆเช่น โกรธรู้ว่าโกรธนะในมหาสตรีปทานสูตรท่านอสอนสอนเนี่ยจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะส่วนพวกเราชอบทําเกินที่ครูบาอาจารย์สอนเกินพระพุทธเจ้าสอนจิตมีโทสะทํายังไงจะละโทสะแนะ่เอาไปนู่นท่านบอกจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะนะจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเราคิดแต่จิตจะละอย่างเดียวนะทำเกินให้ท่านสอน อยากละโทสะมันก็คืออยากนั่นแหละก็คือตัณหานั่นแหละท่านให้รู้ทุกให้ละสมุทยัยตัณหาคืออะไรตัณหาคือการที่จิตเราเนี่ยทยานอยากนะทยานอยากมันทยานไปทางไหนทยานไปทางตาทางหูจมูกลิ้นไก่ๆ น, นั่นเองะอย่างนั่งฟังเห่นไหมมันทยานออกทางตาบ้างทางหูบ้างทางใจบ้างดูออกไหมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเข้าวิ่งออกนะ ห, หน้าที่ของผู้ปฏิบัติรู้ทันมัน รู้ลงไปเลยจิตใจกําลังหลงไปนั่งจ้องแนละ้วรู้ว่าจ้องนะเพลินไปล้วคิดเพลินรู้ว่าเพลินรู้สึกตัวไว้พอเรารู้สึกตัวเราไม่เผลอไม่หลงไม่เพ่งไม่จ้องแนละ้วจิตใจของเราจะสุขจะทุกข์จะ ด, จะดีจะชั่วเราจะรู้ทันตนะรวจแล้วตรวจก็รู้ว่าโตรวจนี่ธรรมชาติของกิเลสเนี่ยจะหลอกเรากิเลสทุกตัวทําหน้าที่อันเดียวกันทั้งหมดเลยคือหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัวนะ เช่นเวลาเรามีการมาฉันทะเกิดขึ้นพอใจสมมติว่าเราพอใจเอาสาวๆพอใจหนุ่มๆหนุ่ม ๆ, มๆพอใจสาวๆพอเราพอใจใครเราก็คิดถึงคนนั้นใช่ไหมเราไม่ดูว่าขณะนี้กําลังมีการมาฉันทะเกิดขึ้นในใจเราละเลยจิตใจของเราเองเวลาเรามีพยาบาทมีความโกรธเกิดขึ้นเราไปคิดถึงคนที่เราโกรธแทนที่เราจะรู้ว่ากําลังโกรธอยู่ นะเพราะงั้นเวลาโกรธรู้ว่าโกรธเวลารากักรู้ว่ารักนี่เรียกว่าปฏิบัตินะเวลาสงสัยล่ะเจะปฏิบัติยังไงดีนะฟังตั้งนานงงฟังแ้วงงจะปฏิบัติยังไงดีรู้ลงไปเลยว่ากําลังสงสัยอยู่เนะพราะว่าความสงสัยเกิดขึ้นมันก็หลอกให้เราคิดใช่ไหมคิดใหญ่เลยว่าจะหาทางทําให้ถูกได้ยังไงคิดไปเลยนะเลิกหรือลืมที่จะรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ กิเลสทุกๆตัวทําหน้าที่เดียวกันความฟุ้งซ่านเกิดก็ลืมดูไปเลยฟุ้งๆไปทั้งวันความบวดปูเพราะแท้ใจเกิดก็นอนเลยนะเลิกปฏิบัติเลิกดูอีกหละเมื่กิเลสทุกๆตัวทําหน้าที่เดียวกันหลอกให้เราทิ้งจิตทิ้งใจตนเองทนะ่านอาจารย์มหาบัวท่านถึงสอนตรงนี้มากฟันะงท่านสอนลราโอ้สาใจธรรมะท่านนะท่านบอกว่าอาวิชามอยู่ที่จิตของเรา เลมันกลัวที่สุดว่าเราจะย้อนมาดูจิตใจตนเองเดี๋ยวไปเห็นมันเข้ารู้ว่าโจรอยู่ในบ้านนะมันจะผลิตลูกน้องตัวเล็กตัวน้อยคือกิเลสตัวเล็กตัวน้อยมาวิ่งล่อเราไปให้เราทิ้งจิตใจของเราไปแล้วเราจะวิ่งตามมันไปซะความโกรธเกิดก็ไปคิดถึงคนที่โกรธเนี่ยทิ้งจิตใจตนเองกนะิเลสทําการหลอกลวงเราด้วยวิธีนี้ทั้งนั้นเองแล้วนะก็ถูกหลอกได้เรื่อยๆเนาะ ไงงูเลยโอ้เห็นหน้าคุ้น nope คุ้นหลายท่านเนาะคุ้นคุ้นนะนี่คนนี้คุ้นมากแต เราไม่ได้ในจะคือตอนนี้อาจารย์มายังขอตัวอยู่หน่อยเพราะว่าเราเป็นพรา บ, บทใหม่ธรรมเนียมพระป่าเนี่ยท่านถือสามารถเลยนะเพราว่าไก่ป่าเนี่ยไก่พ่อไก่แม่ยังอยู่ลูกไม่ขันนะตอนนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยังมีอยูนะ่เป็นเวลาที่เราต้องซ่อนตัวเก็บตัวเก็บไม่ค่อยไหวเคยเห็น ดีที่สุดล่ะว่าไเรียนเกี่ยวใครนะไม่สะใจเหมือนเรียกับหลวงปู่สลวงปู่ดูสอนนิดเดียวตอนนิดเดียวเดี๋ยทํายากตอนนิดเดียวทําหลายปีอย่างท่านสอนจนครั้งสุดท้ายไปหาท่านก่อนท่านมรณภาพสามสิบหกวันในกราบท่านท่านก็สอนสอนสอเนี่ยสอนจนหอบเลยเหมือท่านอ่ะนะหอบเหนย อายุตั้งเกนะ้าปีห้ากว่าแล้วขอบนะบอกโลกปู่เหนื่อยนะเดี๋ยวผมจะลากลับนะจะกลับแล้วเหรอ ย, ยังไม่กลับไม่ให้กลับตอนต่อนะบอกจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทาลายผู้รู้พบจิตทําลายจิตนะิงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยครับแต่จำไว้ได้นะเดีย๋ยวจะไปพิจารณาต่อไปทำต่อท่านาเออไปได้ละ กราบลาท่านไม่นึกหรอกว่าไม่เจอท่านละกราบลาท่านแล้วขึ้นรถไปมากุล่ามาแวะหาหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธเนี่ยตอนนั้นไปหาหลวงปู่ต้องกลับมาต้องมาแวะหาหลวงพ่อพุทธทุกเดือนหลวงพ่อก็ถามง่ายนะปฏิบัติหลวงปู่สอนอะไรรอบนี้บอกว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตหลวงพ่อก็บอกว่าเออหลวงพ่อไปหาหลวงปู่มาหลวงปู่ก็สอนอย่างนี้เหมือนกัน บอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรเนี่ยเพราะผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตใครก็บอกคุณการอาตมามาตกลงกันนะใครทำลายได้ก่อนให้มาบอกวิธีกันนะมาเจอท่านอีกปีปีสี่สองช่วงนั้นพอท่านดังมากๆแนละ้วไม่เคยเจอท่านหน่อที่วัดสารวันเจอก็เจอในกรุงเทพไม่เจอหลายปีนะเจอท่านครั้งสุดท้ายท่านไปที่องค์การโทรศัพท์ อันนั้นลาออกจารัช ก, การอยู่วงการโทรศัพท์เ้าไปกราบท่านบอกเนี่ยเมื่อก่อนผมไปหาหลวงพ่อบ่อยๆตอนหลังไม่ได้ไปท่านบอกท่านจําได้เพราะนักปฏิบัตินี้ไม่กี่คนหรอกนะนักปฏิบัติจริงๆมีน้อยมบอกท่านบอกว่าผมยังทําลายจิตไม่ได้เลยนะท่านก็บอกว่าจิตผู้รู้นะเหมือนกับฟองไข่ฟองไข่เหมือนไข่ไก่อะไรเงี้ยนะถ้าเมื่อใดลูกไก่ที่มันโตเต็มที่แล้ว มันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองถามท่านอีกบอกว่าแล้วผมจะต้องพิจารณาอะไรไหมผมเฝ้ารู้สิทอยู่เนี้ยรู้อย่างที่สอนพวกเราเนี่ยยังจะต้องไปคิดพิจารณาอะไรเพิ่มเติมอีกไหมท่าบอกไม่ต้องทํานะไม่ต้องทำํำคือไม่ต้องไปช่วยกระทบเปลือกไข่นะเดีย๋ยวลูกไก่ตายเนะี่ยท่านสอนไปอย่างเนี้ยลูกนคะุูบาาจารย์เมตตา หลวงปู่ ด, ดูลย์ยังสอนธรรมะประหลาดประลาดาไว้อีกเยอะเลยะเห็นท่านสอนบอกว่าถ้าเมื่อไรนะเห็นว่าจิตแต่ตัวจิตเองอะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ใช่จิตถ้าเมื่อไรเห็นอย่างนี้เนี่ยคลองแห่งคําพูดจะขาดไปเราทำหลายปีเนาะจิตไม่ใช่จิตอะแต่ก็ไม่ใช่ไ ม, ใชไม่ใช่จิตแถมยังสอนหมัดเด่นไว้อีกอันหนึ่ง เมื่อไรเห็นว่าจิตกับวัตถุเป็นสิ่งเดียวกันเพราะนั้นการปฏิบัติจะจบลงตรงนั้นเลยว่าสอนแต่และอย่างทำกันเป็นสิบปีเลยคื <c oughs> อจิตใจเราผูกพันจนะิตใจเราผูกพันแล้วก็ฝันถึงได้ เวลาสานาันว่าท่านมาสอนก็ชื่นใจหลายวันนะตื่นที่มาโอ้สดชื่นนะครูบาอาจารย์มาสอนนะแต่เราอย่าไปคิดว่าท่านมาสอนจริงๆริงนะอืมอืมีนะแล้วล่ะอยู่กระโรงเขากินนานนะ ท่านแต่สองห้าสองหกสองเจ็ดกันไปเมื่อปีสองเจ็ดเนี่ยนะท่านก็เรียกมาแล้วท่านก็ชี้ให้ดูราโมดเห็นมหาสุญยตาไห ม, มชี้ตรงข้างหน้าเนี่ยเห็นครับ<ม>เห็นมหาสุญญตาในลุกกลมไหยลูกกลมเบี่ยนท่านเห็นในลุกกลมนี่ไหมเห็นครับเห็นไในหินนี่ไห ม, มเห็นเออไปได้สอนธรรมะ เฉียบขาดแล้วเราเพิ hmm. mm ่งกินเสร็จแล้วก็ไบรรยายห้ครูประกาศใหก่อนเราคทเดียวคือม่เกยไดินานทาบาเป็เรของผู้รู้จดเดียวร่าซาเรามาชันขนาดไหัก็มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็มีเราเามาช่วยบรรยากาศ ดีแล้วโอกาสตอนที่ได้ไับคุทัสุดท้ายก้กัรูึกตอนจะไปเนกก็เรียจกับท่านท่้นาสุดท้ายแต่ตอนทัดก่บบนี้ไบยันกลบแล้วท่านร็ย่งประเทศสัเวันลาอเขียนวาอยู่ปายลองไม่เป็นไรีเียกท่าเท่้ท่านเ่วเือ แต่จริงไม่เปล่นคำสารนั่น่าฟังที่ที่คนชอบถึงคนที่บอกว่าสี่ผู้รู้ นั่นยของถูกรู้อยู่มันยังเป็นของถูกรู้อยู่คือจิตผู้รู้เนี่ยซ้อนอยู่ตรงไหอีกชั้นหนึ่งคือคนที่ไปรู้ไอ้นิวเคลียสนันิวเคลียสนั่นนยไม่ใช่ตัวจิตผู้รู้เพราะฉั้นตัวจิตผู้รู้จริงๆเนี่ยไม่มีที่ตั้งหลวงปู่ดูลสอนจิตไม่มีที่ตั้งเราชอบจิตตั้งตรงนั้นตั้งตรง น, นี้อะไรนี่เพราะฉะนัะ้นจิตไม่มีที่ตั้งจิตเกิดดับแต่ว่าจิตที่เกิดที่ดับเนี่ย มันถูกรู้ตอนนั้นจะคะมันมีความรู้ว่าถามันระเบิดออกมามันจะต้องรู้แรงอะไรอี่ยงให่แต่ว่ามันได้แต่แตกมันได้แต่แตกยังไม่ได้แตกทส่วนแงมันมีเยอะก่าความาดีากแต่ก็ไม่้รุนแรงอมารเขียนไหมตัวนี้นะในวิมุตติปัฏฐาการมีอยู่ในเรื่องอาสวะ